จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญมาปฏิบัติมาดูแลรักษาใจให้ดีเพราะการรักษาใจให้ดีนั้นจะนำผลดีตามมาผลดีก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหมดถ้าใจดีแล้วอะไรก็ดีตามไปหมดถ้าใจไม่ดีแล้ว อะไรก็ไม่ดีไปหมดความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาไม่ได้ดีหรือเขาดีแต่อย่างไรมีใจของเรานี่ยแหละที่ไปว่าเขาดีหรือไม่ดีถ้ามีอารมณ์ดีอะไรก็ดีไปหมดถ้ามีอารมณ์ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีไปหมดทั้งๆ ท, ที่ก่อนหน้านี้ก็ดีแต่พอมีอารมณ์แล้วก็ไม่ดีเพราะอะไร เพราะใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆตามอารมณ์ของตนถ้าตนมีอารมณ์ดีก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีถ้ามีอารมณ์ไม่ดีก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาดูแลรักษาใจทำใจให้ดีตลอดเวลา ถ้าใจดีตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตลอดเวลาถ้าเวลาใดใจไม่ดีสิ่งต่างๆก็จะไม่ดีตามไปด้วยสิ่งที่ทำให้ใจไม่ดีคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่ทำให้ใจดีก็คืออะไรก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง และการที่จะทำให้ใจเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั้นจะต้องทำด้วยอะไรก็ต้องทำด้วยธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงต้องมีสติเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อและปฏิบัติตามโดยเล็งเป้าหมายไปที่การชำระ หรือการกําจัดความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำดีล้าบาปและทําจิตใจให้สะอาดการทำดีก็คือการให้ทานเป็นต้นการให้ทานดีท่านใ้ท่านสอนให้เราให้เพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้สอนเพื่อให้เรา เกิดความโลภขึ้นมาอย่างบางคนที่เขาทําบุญกันเขาทําบุญเพราะเขาเชื่อว่าจะทําให้เขาร่ํารวยขึ้นมาเขาอยากร่ำรวยมากเขาจึงทําบุญมากๆแต่ความจริงความรวยนี้เป็นผลที่จะตามมาแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในภพนี้ในชาตินี้เป็นการสะสมทรัพย์ สำหรับพบหน้าชาติหน้าอย่างบางท่านที่เกิดมาแล้วมาร่ำรวยอย่างนี้แสดงว่าท่านได้สะสมคือได้ทำบุญให้ทานมาในอดีตชาติพอมาเกิดชาตินี้ก็เลยได้รับอนิสงค์คือได้รับความร่ำรวยแต่เป้าหมายของการทำบุญให้ทานนี้ไม่ได้อยู่ที่ จะให้เกิดความร่ำรวยขึ้นมาแต่ยังต้องการให้เราชำระความโลภให้น้อยลงไปชำระความโกรธให้น้อยลงไปชำระความหลงให้น้อยลงไปเพราะถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็ยังจะต้องเกิดใหม่ถึงแม้จะเกิดร่ำรวยแต่การเกิดนั้นมันไม่ดีจะเกิดรวย รู้จมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเพราะเกิดแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายจะต้องพัาดภาคจากสิ่ ง, งตา่างๆที่เรารักที่เราชอบไปและเวลาอยู่ก็ต้องสัมผัสประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเป็นความทุกข์ภพชาตินี้เป็นความทุกข์และเหตุที่ทำให้เรามีภพชาติก็คือความโลภความโกรธ เราจึงต้องชาระความโลภความโกรธความหลงเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกและในขณะเดียวกันเวลาที่เราชาระความโลภความโกรธความหลงใจของเราก็จะดีขึ้นไปตามลาดับเวลาโลภนี้ใจจะไม่ดีใจจะวุ่นวายกระสับกสายจะมองคนอื่นในแง่ร้าย จะคิดไม่ดีต่อผู้อื่นเพราะกลัวผู้อื่นจะมาแย่งสิ่งที่ตนอยากได้ไปแต่เวลาที่ไม่โลภแล้วก็จะมีความเมตตากราุณาจะมองผู้อื่นเป็นเหมือนมิตรเป็นเพื่อนจะมองด้วยความก ร, รุณาสงสารมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ยาก แต่พอเกิดความโลภขึ้นมาแล้วความเมตตากรณุณาก็จะหายไปมีแต่ความคิดที่ไม่ดีต่อผู้อื่นดังนั้นเราจึงต้องพยายามชำระความโลภความโกรธคำหลงให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆและให้หมดไปในที่สุดการให้ทานนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยกำจัด ความโลภความหลงและความโกรธให้น้อยลงไปเวลาเราให้ทานแล้วเราจะมีความสุขใจมีความอิ่นใจเพราะตอนนั้นความโลภความโกรธความหลงได้ถูกยับยั้งไว้ชั่วคราวอย่างวันนี้ญาติโยมมาทําบุญให้ทานจิตใจก็จะมีความสุขมีความสบาย เพราะตอนนี้ไม่มีความโลภอยากได้อะไรถึงแม้ว่ายังมีอยู่ถึงแม้จะมีความโลภอยู่แต่ตอนนี้เหมือนกับนอนหลับไปหรือถูกฉีดยาสลบไปด้วยอำนาจของการให้ทานนี้ถ้าให้ได้มากเท่าไหร่ความโลภความโกรธความหลงก็จะน้อยลงไปตามลำดับแต่การให้ทานอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพียง ที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปได้ยังต้องอาศัยการรักษาสีและการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการภาวนาต้องอาศัยทั้งสามส่วนนี้ถึงจะสามารถชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจได้ แต่ในขณะที่เราชำระไปจิตใจของเราก็จะดีขึ้นไปไเรื่อยๆเราจะมองโลกในแง่ดีเราจะคิดดีเราจะพูดดีและจะทำดีมากขึ้นไปตามลำดับ mm. การคิดไม่ดีการพูดไม่ดีการกระทำไม่ดีก็จะน้อยลงไปไเรื่อยๆดังนั้นขอให้เราพยายามทำทานทำบุญให้มากมาก เท่าที่เราจะสามารถทำได้คือทำเท่าที่เรามีก็พอถ้าหมดแล้วก็ถือว่าพอแล้วเพราะการทำทานนี้ให้เราทำจากสิ่งที่เรามีจากสิ่งที่เราไม่ต้องการจะเก็บเอาไว้จากสิ่งที่ไม่มีความจาเป็นสำหรับเราเมื่อเราได้ให้สิ่งเหล่านี้หมดไปแล้ว<ม><ม>ก็หมดหน้าที่ของการให้ทาน ไม่ใช่ให้เราไปหามาให้อีกอย่างนี้ไม่ได้เป็นการชำระความโลภเพราะเราเริ่มเกิดความโลภอยากจะให้ทานมากขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกถึงกับต้องไปขอเขาหรือไปไปไปขโมยของเขาเพื่อที่จะมาให้ทานอย่างนี้ก็เป็นการขาดทุน เป็นการทำด้วยความโลภ ก, การให้ทานนี้ทำเพื่อกำจัดความโลภคือถ้าเราให้บ่อยๆให้ในสิ่งที่เป็นของเราและเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้มันก็จะทำให้เราไม่ค่อยอยากจะได้อะไรขึ้นมาใหม่เช่นถ้าเรามีเสื้อผ้าหรือใช้เราเอาเสื้อผ้าไปให้คนอื่นต่อไปเราจะไม่คิดอยากจะได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่ เพราะเรารู้ว่าซื้อมาแล้วก็เท่านั้นมันไม่เหมือนมีมันไม่มีความสุขเหมือนกับให้เสื้อผ้าแก่ผู้อื่นการได้เสื้อผ้าใหม่มาให้กับเราใช้นี้มันดีใจเพียงวันสองวันเท่านั้นเองน้ำจากนั้นแล้วมันก็หายไปแต่การให้เสื้อผ้าแก่ผู้อื่นที่เขาเดือดรอ้อนที่เขาไม่ที่เขาขาดแคลนพอเราให้เขาแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขมากกว่า จากการที่เราได้เสื้อผ้าใหม่มนัต่อไปเวลาที่เรามีเงินที่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่เราก็จะไม่ซื้อถ้าไม่จําเป็นถ้าเรามีเสื้อผ้าพอใช้กับความต้องการเราเอาเงินนี้ไปทําบุญให้ทานดีกว่าหรือไปซื้อเสื้อผ้าไปแจกคนที่เขาเดือดร้อนจะดีกว่าเพราะทําให้ใจของเรามีความสุข ทำใช้ใจของเรามีความอิ่มมีความพอไม่หิวกระหายเหมือนกับตอนที่ใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งต่างๆมาให้กับเราใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอได้มาเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มและไม่มีความสุขมีเสื้อผ้าเต็มตู้ลดตู้แล้วก็ยังอยากจะได้เสื้อผ้าใหม่เวลาไปเดินตามห้างร้านต่างๆ เห็นเสื้อผ้าหรือเห็นสิ่งของใหม่ๆก็อยากได้ขึ้นมาทันทีทั้ทงๆที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้เลยแต่พอเกิดความโลภเกิดความอยากได้แล้วใจก็ทนไม่ไหวต้องซื้อมาเพราะถ้าไม่ซื้อมาก็จะนอนไม่หลับกินไม่ได้กระสับกระส่ายต้องได้มาก่อนแล้ว ถึงจะสงบตัวลงนี่คืออำนาจของความโลภมันไม่ได้ทำให้ใจของเราดีมันจะทำให้ใจของเราแย่ลงไปตามลำดับเพราะถ้าเกิดเรามีความโลภและเราไม่สามารถสนองตอบความโลภได้ด้วยเงินทองของเราเองหรือด้วยวิธีที่ถูกต้องตามศีลธรรมหรือทางกฎหมาย ถ้ายังมีความอยากยังมีความโลภอยู่เราก็จะต้องไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมอย่างคนทั้งหลายที่เขาทำกันคนพวกนี้เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องความรู้สึกในใจของเขาเขาไม่รู้ว่าอะไรทำให้ใจเขาไม่ดีอะไรทำให้ใจเขาดี เวลาเกิดความโลภแล้วต้องทำตามความโลภอย่างเดียวเพราะตอนนั้นเหมือนกับมีน้ำทิ่มแทงหัวใจต้องถอนน้ำนั้นออกไปด้วยการทำตามความโลภพอได้แล้วก็ดีใจไปชั่วระยะหนึ่งไม่นานเดี๋ยวก็เกิดมีน้ำใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเกิดความโลภเกิดความอยากได้สิ่ง ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกและมันจะเป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือโลภแล้วพอได้ก็หายโลภไปสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กลับมาโลภใหม่ก็ต้องหาใหม่อยู่อย่างนี้ไปทำอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดมาและยังทำอยู่ในปัจจุบันนี้และจะทำต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือให้เรากําจัดความโลภด้วยการให้ทานนี่คือวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือให้กําจัดด้วยการรักษาศีลอยากจะได้อะไรก็ให้ไม่ให้อยากเกินขอบเขตคือต้องหามาด้วยวิธีที่สุดเจริญไม่ทุจริตไม่ไปทําผิดศีลธรรม ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ใจของเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีกว่าเวลาที่ใจของเราไม่รักษาศีลเวลาเราทำผิดศีลนี้แล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราต้องพูดปน่นนี้เราจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราต้องเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ได้อนุญาต เราจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราไปประพฤติผิดประเวณีเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทำผิดศีลแล้วเราจะรู้สึกสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกกงังวลว่าใครจะมาว่าเรามาประนามเราหรือมาจับเราเป็นลงโทษ เพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราจะไม่มีความกลัวใครทั้งนั้นเราจะมีความกล้าหาญนี่คืออนิสงค์ของการรักษาศีลจะทําให้ใจของเรานี้ดีคนที่มีศีลนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่น่าเคารพเป็นคนที่น่าไว้วังใจ ต่างกับคนที่ไม่มีศีลเป็นคนที่ไม่มีใครไว้วางใจไม่นับถือและจะมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าจะทําอะไรเสียหายให้กับเขาเมื่อไหร่นี่คือความแตกต่างระหว่างใจที่ดีกับใจที่ไม่ดีอยู่ที่การมีศีลหรือไม่มีศีล การไม่มีศีลนี้เป็นใจที่ไม่ดีถึงแม้จะร่ำรวยถึงแม้จะมีตำแหน่งสูงสูงแต่มันไม่คุ้มกับความเสียส่วนที่เสียไปคือเสียความดีในใจไปความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รักษาแม้แต่ชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาความดียิ่งกว่าชีวิต วความดีนี้มีค่ายิ่งกว่าชีวิตชีวิตของพวกเรานี้มันก็ไม่มีค่าอะไรมากนะักถ้าเราไม่ได้เอามาทําความดีถ้าเอาไปทําความชั่วทําไม่ดีชีวิตของเรายิ่งไร้ค่าเนยชีวิตของเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราทําความดีเท่านั้นแต่ชีวิตของเรา ก็ไม่ีขอบมีเคมันไม่สามารถที่จะอยู่ไปได้ตลอดไม่ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งชีวิตของเราก็ต้องหมดไปซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรใหญ่โตสำหรับใจเลยเพราะชีวิตหรือร่างกายนี้สำหรับใจก็เป็นเหมือนเพียงเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองที่ใจสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ได้เสมอ พอร่างกายนี้ตายไปถ้าใจดีใจก็จะได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่ากับและไม่ต้องไปใช้ใช้หนี้ไม่ต้องไปรับโทษเช่นไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัชาสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมได้อย่างรวดเร็วถ้าช้าหน่อยก็เพราะว่าต้องแวงไปสวรรค์ก่อนไปพักผ่อนหย่อนใจ สวรรค์นี้เหมือนที่เราไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างพวกเราเวลาที่เราอยากจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตอนนั้นก็เป็นเหมือนไปสวรรค์ชั่วคราวแต่เวลาที่เราตายไปแล้วเราใจของเรานีดีใจของเราไม่ต้องไปแวะอยู่ไม่ต้องไปเข้าคุกไปใช้หนี้เราไปเที่ยวได้ก่อนเลยไปสวรรค์ชั้นต่างๆ ไปเที่ยวจนเรามีความอิ่นน้ําสํารานใจแล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมแล้วก็จะกลับมาทําบุญเพิ่มมากขึ้นไปมาทําบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจดีขึ้นไปมากขึ้นไปไเรื่อยๆเวลาใจดีก็จะมีความสุขถึงแม้จะมีเหตุการณ์รุนแรงหรือร้ายแรงแต่ก็จะไม่สามารถมาทำให้ใจรู้สึกไม่ดีได้เลยถ้าใจชราใจจะรู้สึกแยกแยะใจออกจากสิ่งต่างๆคือใจจะไม่ไปฝากความสุข ฝากความทุกข์ไว้กับสิ่งต่างๆถ้าใจรู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการทำสมาธิทาใจให้สงบถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะไม่หิวจะไม่อยากได้สิ่งต่างๆภายนอกใจเมื่อไม่มีความอยากได้ไม่มีความสนใจ คือไม่มีความผูกพันกับความสุขภายนอกใจแล้วเหตุการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรจะไม่ทำให้ใจเราเดือดร้อนแต่ถ้าใจยังฝากความสุขไว้กับสิ่งภายนอกเช่นฝากความสุขไว้กับสามีกับภรรยากับลูกรู้กับเงินกับทองกับงานการงานหรือกับยศ ตำแหน่งต่างๆพอมีเหตุการณ์ที่จะมาทำให้สิ่งต่างๆเหล่านีาเา้เปลี่ยนแปลงไปหรือสูญไปก็จะสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจ ท, ทันทีจะทำให้ใจมีความทุกข์จะทำให้ใจคิดไม่ดีต่างๆนานาแต่ถ้าใจมีความสุขภายในตนเองแล้วจะไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลง กับสิ่งต่างๆภายนอกใจใครจะเป็นอะไรอย่างไรจะไม่ได้ทำให้ใจนี้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย mm. เช่นคนที่เรารักเคารพจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายไปก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาต้องมีการเจริญและมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเพระพะพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์โลกที่มาเกิดในโลกนี้จำต้องสัมผัสกับโลกกระทำแปดประการด้วยกันคือลาบยศเสลิญสุดคือหมายถึงการเจริญของลาบยศเสลิมสุดและการเสื่อมของ ลาบยศสารเสริญสุดเป็นสี่คู่ด้วยกันเจริญและเสื่อมลาบเจริญและเสื่อมยศเจริญและเสื่อมสารเสริญและเจริญและเสื่อมสุดเราอยู่ในโลกนี้ต้องมีการได้และมีการเสียเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวเรามาตัวเปล่า แล้วเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าเราไม่สามารถเอาสมบัติต่างๆในโลกนี้ไปได้สมบัติต่างๆในโลกนี้เป็นของโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือใจที่ดีหรือไม่ดีถ้าเราทำใจดีเราก็จะได้ใจที่ดีไปใจดีก็ไปสู่สุคติไปสวรรค์ และกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าใจไม่ดีใจก็ไปอาบายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เลวกว่าเกับมนุษย์ของเราจึงมีสองพวกพวกที่ดีและพวกที่ไม่ดีพวกที่ดีก็คือพวกที่มันทําใจให้ดีด้วยการทําบุญให้ทานรักษาสิ่ง ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมจเจริญปัญญาพิจารนาอนิจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอเสมอสมก็จะเป็นใจที่ดีเพราะจะมีความโลภความโกรธความหลงน้อยหรือไม่มีเลยส่วนพวกที่ใจไม่ดีก็เพราะว่าไม่ํำระความโลภความโกรธความหลง มีแต่จะส่งเสริมความโลภ ค, ความโกรธความหลงให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเพราะไม่ยอมทำบุญให้ทานเสียดายเงินเสียดายทองเอาเงินอยากจะเอาเงินไปซื้อของที่ตนเองอยากได้อยากจะเอาเงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขในรูปแบบต่างๆพอเงินขาดหรือไม่พอใช้ก็ไปทำผิดศีลผิดธรรมไม่รักษาศีล ไม่สนใจเรื่องของการรักษาศีลเพราะเป็นอุปสรรคต่อความสุขของเขาเขาต้องการเงินทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขเพราะฉะนั้นเขาจึงกล้าทำบาปกาล้ารักทรัพย์กล้าประพฤติผิดทำผิดศีลธรรมการคอรัปชันวิธีต่างๆการโกงด้วยวิธีต่างๆนี้ก็เกิดจากการอยากมีเงินเพื่อจะได้เอาเงินนี้ไปซื้อความสุข แล้วทำให้ใจเขาเป็นใจที่ไม่ดีไปเป็นใจที่ไร้ความเมตตากรุณาเป็นใจที่โหดเที่ยงเป็นใจที่คับแค่เป็นใจของเดราาัจฉานเป็นใจของสัตว์นรกเมื่อใจของเขาไม่ดีแล้วเป็นอย่างนี้แล้วพอเวลาร่างกายตายไปใจของเขาก็ต้องไปสู่ภูมิของเขาก็คือต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานต้องไปตกนรก แล้วหลังจากที่ใช้บาปใช้กรรมของเขาหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่เป็นมนุษย์ที่แย่กว่าเดิมมีฐานะที่แย่กว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอาการ32สิบสองก็ดีหรือฐานะการเงินการทองก็ดีจะเลวลงกว่าเดิมใจก็จะโหดเหี้ยมมากกว่าเดิม จะมาสร้างบาปสร้างกรรมใหม่แล้วก็จะเวียนอยู่กับการกลับไปเกิดในอาบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีสติมีความคิดว่าการกระทำบาปไม่ดีการประพฤติการปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าเป็นการกระทำที่ดีเขาถึงจะสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้ แต่ถ้าเขายังปล่อยให้เป็นไปตามนิสัยตามความชอบของเขาเขาก็จะกลับมาทำแบบซ้ำๆเดิมๆ เ, เขาชอบหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกเขาก็จะไม่ชอบทำบุญให้ทานจะไม่ชอบรักษาศีลจะไม่ชอบปฏิบัติญายมคงจะรู้จักคนเหล่า น, นี้คนบางคนงถึงแมอจะเป็นคนใกล้ตัวเรา เราพยายามที่จะชวนให้เขามาวัดเขาก็ไม่อยากจะมาเขาอยากจะไปเที่ยวมากกว่าเขาอยากจะไปกินเหล้าเมาย า, า, ยาไปยิงนกตกปลาไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆชวนเขามาวันแล้วเขามักจะอ้างเหตุผลต่างๆเสมอ น, นั่นเป็นเพราะว่าใจของเขาไม่มีความดีนั่นเองไม่ได้ปลูกฝังความดีไว้แน่ดี ไม่ชอบทำบุญให้ทานไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมไม่ชอบปฏิบัติธรรมแต่คนที่ชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลชอบเข้าวัดชอบปฏิบัติธรรมก็เป็นเพราะว่าเขาได้ปลูกฝังนิสัยนี่ไว้ในอดีตนั่นเองใจเขาดีเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นไม่สูญหายเหมือนกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเวลาที่ ร่างกายนี้ตายไปสิ่งเหล่านี้ยังติดไปกับใจเราการทําบุญให้ทานรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนี้ไม่สูญหายมันจะติดไปเป็นนิสัยเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะชอบทาบุญให้ทานรักษาศีลชอบปฏิบัติธรรมและจะมีความชอบมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้านี่คือ การทำใจให้ดีขึ้นไปตามลำดับเป็นการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงต้องสร้างที่ใจด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าก็คือทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรม พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีแต่ความรู้สึกที่ดีจะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีและมีความสุขและจะไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราเพราะใจจะไม่ยึดไม่ติดไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวของเรา เพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ภายในใจก็คือความดีนี่เองที่จะทำให้ใจเรามีความสงบมีความสุขจึงขอให้ท่านเห็นความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจต่อการทำใจของเราให้ดีด้วยการทำความดีอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ขอให้มากันอยู่เรื่อยๆ และทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับแล้วชีวิตจิตใจของท่านจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขรักความเจริญโดยถ่ายเดียวการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญคล้าวพลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ